หการบอกคื่อนสิขาโดยใช้คําว่าพ้นขาดแล้ว14บทวงเล็บหนึ่งอีกประการหนึ่งภิกษุบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าข้าพเจ้าพ้นขาดแล้วจากพระพุทธเจ้าวงเล็บ14ภิกษุบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าข้าพเจ้าพ้นขาดแล้วจากเพื่อนพรหมจารีภิกษุทั้งหลายแม้อย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นการเปิดเผยความท้อแท้และเป็นการบอกคื่อนสิขา